ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอือ้อเฟือขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบ ร, ริศัททั้งหลายโนะอากาศคณะสงฆ์แสดงธรรมด้วยเราได้ขับเน้นในเรื่องของการเจริญ เมตตากันเนาะกลับมาดูในเรื่องของคําว่าพรหมวิหารนิดนึง่งคำว่าพรหมวิหารธรรมเนี่ยก็แปลว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐใช่ไหมหรือเรียกว่าทำประจําใจอันประเสริฐหรือจะบอกว่าหลักความประพฤติ ท, ที่ประเสริฐบริสุทธิ์แล้วแต่เราจะชอบคําไหนนี่ยทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ทำประจําใจอันประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือจะบอกว่าธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตได้อย่างหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบฉะนั้นทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำประจําใจอันประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะก็คือธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่หมดจดและการปฏิบัติต่อมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบถ้าเราไม่มีธรรมะประจำใจอันประเสริฐหรือหลักทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์มาประจาไว้ในใจแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติออกมาของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายก็จะ ไม่งดงามฉะนั้นหลักความประพฤติอันประเสริฐบริสุทธิ์เนี่ยต้องมีตัวพรหมวิหารธรรมเหล่าเนี้ยทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐมาประจําไว้ในกระแสชีวิตถ้าสามารถเนรมิตหรือว่าดึงคุณธรรมเหล่านี้มาไว้ในใจได้จึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตหมดจดและก็ปฏิบัติต่อมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบถ้าอย่างนั้นมันจะขาดตกบกพร่องแล้วก็ ภาษาปัจจุบันเ็าเรียกมันขย่งมันไม่เป็นไปโดยความถูกต้องดีงามใช่ไหมมันจะปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่บาลานซ์ไม่ได้ดุลยภาพแล้วการดำเนินชีวิตก็จะเห็นเลยว่าขาดตกบกพร่องฉะนั้นอะไรล่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้สมปรารถนาหรือไม่สมประสงค์หรือไม่สมหวังก็เพราะขาดหลักนี้แหละหลักธรรมะหรือทําเครื่องอยู่อย่างประเสรศิฐธรรมประจําใจเราควรจะต้องมีเมตตากรุณามุ้ทิตาอุเบกขาเนี่ยมาเป็นหลักหรือมาเป็นธรรมะประจําใจจิตนั้นจึงจะเข้าถึงความประเสรศิฐบริสุทธิ์หมดจดอันนี้เป็นหลักความประพฤติเลยเนะเรื่องพรหมิหารเนี่ยเป็นหลักของการที่จะต้องเอามยาิ้ประจําใจ แต่เวลาจะขับเน้นภาคปฏิบัติการออกมาก็ต้องใช้ธรรมะอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าชุดสังขาวัตถุใช่ไหมเวลาจะออกมาในการประพฤติปฏิบัติด้วยกันที่จะเป็นทานเป็นศีลต่อกันได้ยังไงเนี่ยนั้นตรงนี้ก็เลยปราถนาให้เราทั้งหลายได้ทําความเข้าใจว่าการที่เรามีธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่หมดจดและเป็นการปฏิบัติตนต่อมนุษย์ และต่อสัตว์ทั้งหลายได้โดยชอบข้อแรกเนี่ยเขาเรียกเมตตาก็คือความรากักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีใจแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วนาไอ้ตรงเนี้ยไมตรีหรือเมตตามาจากคำว่ามิตระนี่แหละคุณธรรมของมิตรทำคุณธรรมก็คือเมตตาให้เกิดขึ้นให้มี ไว้ประจําใจจึงจะชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐได้หรือเป็นธรรมประจําใจอันประเสริฐได้หรือจะหลักความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์และธรรมะเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาและเวิขาเนี่ยควรมีไว้เป็นหลักควรมีไว้เป็นหลักเป็นหลักอะไรเป็นหลักของใจถ้าอย่างนั้นใจมันจะเสียใจจะไม่ดีใจจะมีปัญหาทันทีถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มาไว้เป็นหลักใจ นั้นการที่เราจะดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตที่จะเรียกว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่หมดจดและเป็นการปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบได้เนี่ยคือการดําเนินชีวิตเรียกว่าทางชีวิตพอพูดถึงเรื่องเป็นนามธรรมาเรียกดําเนินชีวิตใช่ไหมชีวิตก็คือการเดินทางมันเดินยังไงกระแสะชีวิตกล่าวคือขันห้าเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลําดับทีนี้ถ้าไม่มีหลักใจ ไม่มีธรรมะประจำใจอันประเสริฐมาเป็นหลักเลยมันมันเป๋หมดเลยมันสเปสะปะมันดาเนินชีวิตไม่ถูกต้องแล้วแต่นี้ไปอภิชาทมนาฏบ้างไปเป็นอัตตกิรมถฐานุโยกบ้างเป็นการมาสุขคาลิกานุโยกบ้างไปติดแน่นในการมาสุขในการมาคุณบ้างหรือเป็นไปกับทิฏฐิมีทัศนคติที่วิปลิตผิดเพี้ยนบ้าง ยึดถือแต่ความคิดของตอนเองเป็นใหญ่เป็นต้นเนี่ยมันก็เลยผิดทางเลยไม่สามารถจะดําเนินไปตามมัชิมาปฏิบัติได้เพราะไม่มีหลักของธรรมะประจําใจอันประเสริฐไม่มีเป็นหลักอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอันดับแรกก็คือเมตตาที่เรามากำลังขับเน้นและต้องการจะผลักดันให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายกําลังทํากันอย่างจริงจงจังๆๆแบบขมักคำเว้นเอาจริงเอาจังแต่ไม่ได้ทาแบบเครียดนะทําแบบมีความสุขด้วย ต้องการให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงๆด้วยเนี่ยนะอันดับแรกก็คือเมตตาก็แปลว่ารักใช่ความรักนี่แหละความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุขก็คือมีจิตใจแผ่เมตตีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าทีนี้ตัวเมตตาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยฝรั่งเขาดูถถกคนไทย ดถูกเนี่ขาบอกวาว่าคนไทยเนี่ยแพรเมตตาแต่ในมุ่งในชีวิตจริงอ โ, โหทั้งริษยากันโกรธกันเขาว่ า, างั้นเนเาว่ า, างั้นเชื่อไหมว่าฝรั่งเนี่ยมันในยุคเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยร อ, องประธานาธิบดีของอเมริกาเขาให้นักจิตวิทยามาทำการสำรวจแล้วก็มาวิจัยคนไทย ว่าคนไทยเนี่ยมีบุคลิกภาพมีสภาพจิตใจยังไงเขาก็ทําการวิจัยนียสุ่มตัวอย่างแล้วก็วิจัยเขาวิจัยคนไทยเขามาทํางานเป็นชิ้นวลาเหตุผลที่เขามาทํางานชิ้นนี้เพราะอะไรเขาต้องการว่าเมื่อเขามาทําธุรกิจในประเทศไทยเขาจะได้ประโยชน์จากการงานวิจัยชิ้นนี้ยังไงและงานวิจัยในครั้งนั้นเนี่ยอาหมาก็ได้ไปอ่านงานวิจัย มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเขาเอาไปทําการวิจัยด้วยก็คือละครของไทยเรื่องแม่ประบูทองถ้าคนรุ่นเก่ า, กาๆนี่คงจะจําได้เคยเคยได้ดูไหมเคยได้ดูใช่ไหมเขาบอกเนะี่ยละครของไทยเรื่องนี้สร้างขึ้นมาบ่งบอกถึงอัธยาศัยโทนนิสยัยบุคลิกภาพของคนไทยชัดในนี้ในใ น, ในละครเรื่องเนี้ย ขับเน้นเรื่องอะไรรู้ไ้ยเรื่องความลิสยากันเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้แสดงให้เห็นชัดว่าคนไทยมีจิตตัวนี้สูงมีทนแบบนี้ถ้าใครได้ดีแล้วไม่ได้วกนั้นเขาก็ทำวิจัยเขาก็เลยมาตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วเมื่อตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอาการลิสยาของคนไทยมาเป็นมาเป็ น, ม า, ปนมาเป็นทำให้เขาประสบความสาเร็จก็เอาคนสองกลุ่มเนี่ย ให้อยู่คนละกลมแล้วก็แข่งขันกันเองมลิษยากันมันก็โหตัดตัดแข่งตัดขากันใหคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้หลังนึงอย่างนี้เป็นต้นเออเขาเอาประโยชน์จากริษยาของเราได้นี่เป็นต้นนี่แสดงให้เห็นชัดว่าคนไทยเนี่ยขาดพรมวิหารธรรมโดยเฉพาะข้อมุทิตาไปไม่ถึงเราไปได้แค่เมตตาและกรุณาเนี่ยไปได้แค่ตรงนี้อาจจะแทะเทียมสลับกันก็ว่ากันไปแต่วิ่งไปมุทิตาเนี่ยเราวิ่งไม่ถึงเลย โดยอุเบกขาด้วยแล้วถ้าไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่เนี้ยโดยสังคมพวกพ้องสังคมที่จะต้องออยึดโยงกันแบบประเภทที่วิ่งช่วยเหลือกันถ้าเป็นพวกแล้วผิดไม่เป็นยิ่งเลาขาดหลักเลยเดี๋ยวเจาะไปดูนิดนึงอันนี้ก็เราจะได้ดูเวลาเราต้องการเดินเมตตาจริงแต่อยากจะให้เราได้เข้าใจถึงกรุณามุติตาอุเบกขาไว้เป็นข้อมูลเวลาเราจเจริญธรรมะแล้วเราจะได้ชัดขึ้นนะ ประการที่2ก็คือกรุณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์อันนี้เป็นการฝ่ายใจในการที่จะปลดเปลื้องนะปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้ประสบทุกข์เห็นคนอื่นประสบความทุกข์และทนหรือนิ่งดูดายไม่ได้สภาพของกรุณาจะเกิดขึ้นอย่างนั้นคำว่านิ่งดูดายไม่ได้เนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะว่ารักกรุณาจิตเกิดขึ้นเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยเช่นแม่ เป็นโรคมะเร็งพ่อเป็นโรคมะเร็งลูกเป็นโรคมะเร็งรแล้วแต่เนี่ยหรือเจ็บป่วยประสบความทุกเนี่ยเราก็กรุณาจริงๆนขนขวายแต่มันตามมาด้วยอะไรรู้ไหมตามมาด้วยโท ม, มนัดมันจึงกลายเป็นแค่กรุณาเทียมมันไม่เข้าถึงความเป็นกรุณาแท้เมื่อเราเห็นญาติมิตรทั้งหลายประสบความทุกหรือเห็นคนไทยทั้งหลายประสบความทุกคนประสบปัญหาชีวิต ร้อนจัดหนาวจัดน้ําท่วมไปไหมหรือประสบอุบัติเหตุหรือเกิดอุทกภัยวาตภัยอัคขีภัยทั้งหลายเหล่านี้โอ้ยเราได้ยินข่าวเห็นข่าวปุ๊บรู้สึกใจมันเสียขนขวายจะช่วยด้วยแล้วก็ทมนัฐเกิดขึ้นด้วยจริงขนขวายนีย่นิ่งดูดายไม่ได้เนี่ยเป็นกรุณานั่นแหละแต่พอทมณัฐเข้ามากรุมลุมในจิตใจในกลายเป็นกรุณาเทียมทันทีนี่เป็นอย่างนี้ไอ้กรุณาแท้เนี่ยมันขนขวายนะมันกลับว่า ยินดีขวนขวายในการที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขขวนขวายในการที่จะปลดเปลื้องให้เขาเนีพ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นแต่ในการขวนขวายเป็นการขวนขวายด้วยใจที่สงบด้วยใจที่กรุณานะด้วยใจที่กรุณาด้วยจิตที่เป็นกุศลจึงไม่มีโทมนัตใดๆเกิดขึ้นในใจเลยนี่ถ้าทกกรุณาแท้จะเป็นไปลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็ยังเข้ากันไม่ค่อยถึง โดยมากเจอปัญหาชีวิตเงนก็ร้องวีดวาดกันตก อ, อกตกใจแล้วก็ช่วยด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นได้แค่การุณาเทียมโดยส่วนใหญ่นะแต่บางท่านอาจจะฝึกได้แล้วนันก็ว่าอีกทีส่วนประการที่สมเรียกมุทิตาแปลว่าความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขอันนี้มีจิตที่ผ่องใสบันเทิงเบิกบานชื่นชมนะต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบความสุขความสาเร็จ พรอยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเมื่อเขาเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งยินดีด้วยสนับสนุนเกื้อหนุ น, นว่าไปตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าลูกได้ดีแม่ได้ดีเพื่อนได้ดีโอโหเต็มที่แต่ถ้าศัตรูที่คนที่เราไม่ชอบดันประสบความสำเร็จในชีวิตเออือแต่เนี้ยมันกลายอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมนี่คือปัญหาปัญหาของใคร ปัญหากรองการไม่เข้าใจไม่เอาธรรมะคุณธรรมมันประเสริฐทั้งสี่ประการมาประชุมไว้ในชีวิตไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตจึงไม่เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้ดังเทาา่าที่ควรมันก็เลยรู้สึกรู้สึ ก, สกทนไม่ได้มีโยอมท่านหนึ่งมาหาที่วัดเขา่าโยมมีปัญหามากถามมีปัญหาถ้าวันที่16หรือวันที่30มสอนี่จะดูหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลย พอรู้ว่าใครถูกรางวันที่หนึ่งแล้วลูกเครียดกินทุกทีเลยทุกใจทรมานใจมาพูดให้ฟังอย่างนี้จริงๆเลย น, นึกโอ้โหถามเป็นไงเขาบอกว่าทำไมไม่เป็นเรายอมเคยเป็นขนาดนี้ไปแล้วเคยไมยคือพอได้อ่านหนังสือพิมพ์ปุ๊บมีคนถูกรงวันที่หนึ่งปั๊บมีความสึกเบิกบานชื่นใจมากตื่นเต้นโมทนากับเขาแล้วแล้วเรา บุญของเขาเนาะเขาบำเพ็ญกุศลมาดีนาะเนี่ยมันถูกได้ยังไงสามสิบกว่าล้านใบสาสิบกว่าล้านฉบับเนี่ยมันถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันต้องสุดยอดมนุษย์จริงๆเลยนะในบรรดาคนผิดกันทั้งสามสิบสี่สิบล้านคนไอ้เจ้านี้ถูกมาได้เนี่ยแม่มันมันมันไม่รู้จะวัดยังไงเลยเนี่ยมันบุญมันจริงๆนะอะไรเงี้ยเคยคิดถึงขนาดนั้นไหมตื่นเต้นกับเขาทุกครั้งไหมหรือว่าอออืืทําไมไม่เป็นเรา เห็นไหมเราไปไม่ถึงได้เมตตากรุณาสังคมเมตตากรุณาไปมุทิตาแล้วถ้าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกคนนึงปฏิบัติแล้วเข้าถึงเมตตาเจโตวิมุตต์ได้อย่างแท้จริงด้วยจนเขาได้อานิสงส์หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นทีละของมนุษย์ทั้งหลายเป็นทีละของอมนุษย์ทั้งหลายไฟสัตรายาพิษโรคร้ายไม่เบียดเบียนมีศีหน้าที่พองใส ปุ๊บบุคลิกภาพผ่องใสเอิบอิ่มตลอดเวลาเลยอ่ะว่างั้นเดิมแล้วก็สมาธิเขาตั้งมั่นเดีเร็วด้วยแล้วเขาไม่หลงใช่ไหมไม่เป็นอัลไซเมอร์เลยเราเราโมทนากับเขาทันทีเลยไหม ย, ยินดีกับเขาทันทีไหมปลื้มใจว่าโอ้โหคุณทําได้ยังไงโมทนากับท่านด้วยนะโมทนากับคุณด้วยนะเนี่ยขอให้ท่านยง ประสบความสําเร็จจงเอาเมตตาเป็นฐานในการเดินวิปาาัสสนาญาณพ้นจากกิเลสและกองทุกโดยฉับพันโดยเร็วพันยินดีด้วยหรือบอก เ, เป็นไปได้ยังไงทําไมไม่เป็นเราเห็นไหมตัวมุทิตาเนยโดยมากไปไม่ถึงเพราะมุทิตาเนย์เขากําจัดอะไรกําจัดลิษยาเมตากําจัดอะไรโทสะกรุณากําจัดอะไร ทำท่าลืมวิหิงษาความคิดเบียดเบียนคิดเบียดเบียนคนอื่นพอเห็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยอยากคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยไอตัวกรุณามันจะทำลายจิตที่คิดเบียดเบียนเพราะคิดจะเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาทำให้เขาอยู่ดีมีสุขส่วนอุเบขาเนี่ยเขาแปลว่าความมีใจเป็นกลางไม่ใช่ไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยมึนนะ เฉยรู้เรื่องนะมีใจเป็นกลางเนี่ยที่จะดํำรงอยู่ในธรรมะตามที่ได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเห็นไหมว่าอุเบกขาเป็นไปลักษณะนี้ปัญญาจะเด่นมากคนที่เดินอุเบกขาได้ในตัวปัญญาจะเด่นมากก็คือว่าที่จะดํำรงอยู่ในธรรมะตามที่ได้พิจารณาด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุดตาโช่ดุดตาช่างเนี่ยเที่ยงตรงเลยไม่เอ็งเอียงด้วยรักและด้วยชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีและชั่วสมควรแก่เหตุอันชอบอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรมะรวมทั้งรู้ จ, จักวางเฉยสงบใจดูไม่เข้าไปก้าวก่แทรกแซงในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำเพราะเขารับผิดชอบตอนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตอนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมควรกับความผิด ชอบของตนความรับผิดชอบของตนเช่นเช่ น, ชนหลักของอุอเบกขาเนี่ยเป็นหลักที่เมื่อเขาขวนขวายขวนขวายในการที่ในอันที่จะกระทํารับผิดชอบตนเองได้เหมือนพ่อแม่เนี่ยเมื่อลูกเนี่ยขนขวายในงานที่จะรับผิดชอบตนเองแล้วลูกก็พ่อแม่ก็วางใจเป็นกลางให้ลูกได้ฝึกตนเองพัฒนาตนเองเหมือนลูกไปเรียนเนี่ยนะ ลูกจะต้องไปฝึกผลพัฒนาตนเองในการที่จะขวนขวายในการที่จะเรียนในการที่ทาความเข้าใจเนี่ยพ่อแม่ก็มองดูอยู่ห่างๆด้วยใจด้วยใจเที่ยงธรรมไม่ใช่เขาไปขวนขวายทาให้ลูกทา ใ, ให้ลูกเขา้าใจยางให้เขาได้ฝึกตนเองพัฒนาตนเองรับผิดชอบตนเองนี่นี่อย่างหนึ่งหรือในกรณีที่เขาก็ทําผิดเขาก็ททำผิด กระทำไม่ดีทั้งหลายพอเขาจะต้องรับผลของการกระทำเราก็ไม่เข้าไปขัดเพราะเมื่อเขาทำกรรมใดไว้ใช่ไหมเขาก็จะต้องรับผลของการกระทำนั้นๆถ้าเราไปเช่นว่าลูกทำผิดลูกฉันเพื่อนฉันพ่อแม่ฉันผิดไม่ได้พอเข้าไปขวนขวายไปขัดขวางไป เ, เสียอะไรเสียหลักการเสียธรรมะใช่ไหม เสียกฎสมมติที่วางกฎเกณฑ์กติกาเราไปทำลายกฎสมมติกฎของสังคมก็พังเลยทีเนียอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีอยู่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าลูกไปทำผิดแล้วจะต้องติดคุกแม่บอกไม่ได้ลูกฉันผิดไม่ได้แม้วันเดียวก็ให้เข้าคุกไม่ได้ไอ้นี่ความคิดอย่างเงี้ยความคิดลักษณะเี้ยมันกลายเป็นว่าฉันจะต้องไปขัดขวาง แล้วก็ไปทําหลักหรือกฎเกณฑ์กติกาสังคมให้มันเบี้ยวให้มันบิดโดยไม่รักษากฎสมมุติที่ตั้งเป็นกฎเกณฑ์กติกาตกลงข้อตกลงร่วมกันนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎของธรรมะกฎของธรรมชาติมันมีสองกฎใช่ไหมกฎสมมติกับกะฎธรรมชาติเช่นกรรมเนี่ยเป็นกฎธรรมชาตินะกรรมณียามเนี่ยเป็นความจริงของกรรมเช่นคนที่ถูกอกุศลให้ผลเขาก็ต้องรับผลของอกุศลกรรมนั้น คนที่กุศลกรรมให้ผลเขาก็ต้องรับผลของกุศลกรรมนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็มีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใครทํากรรมดีไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นใช่ไหมสุจริตกรรมและทุตจริญกรรมเนี่ยถ้าทุจริญกรรมตามเบียดเบียนสุจริญกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เขาเกิดเนี่ยเราจะทํำได้เราก็ต้องมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่เขาควรได้รับผลของการกระทํานั้นๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าในวาระทีนี้ใช้ในเวลาไหนเมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนกรุณาใช้ในสถานการณ์ไหนมุทิตาใช้ในสถานการณ์ไหนอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหนอันนี้สําคัญนะเมตตาใช้ในสถานการณ์ที่ยามปกติยามปกตินี่แหละเขาประพฤติปฏิบัติอยู่ปกติเขาเป็นอยู่ปกติเนี่ยก็เมตตาพึงให้มีให้เกิดขึ้นในยามนั้นในวาระนั้น กรุณาใช้ในว่าไหนวาระที่สัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยควรใช้ในวาระนั้นมุทิตาควรใช้ในวาระไหนควรใช้ในวาระที่สัตว์ทั้งหลายนั้นประสบความสุขสมหวังในชีวิตแล้วอุเบกขาใช้ในวาระไหนในวาระที่จะรักษาหลักการรักษาธรรมะก็คือว่าที่จะดำรงอยู่ในธรรมะตามที่ได้พิจารณาด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมดุจตาชูไม่เอ็นเอียงด้วยรักและด้วยชังก็คือรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่ให้เบี้ยวไม่ให้บิดอย่างนี้เป็นต้นเราจะมองเห็นนี่ยังทีนี้ถ้าได้พิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเมตตาเนี่ยันหมายถึงว่ามีน้ำใจเยื่อใยายประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายหรือมีน้าใจปรารถนาประโยชน์สุขที่เป็นไปต่อมิตร ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันหมดไหมเป็นไม่เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายยังไหนี่คุณธรรมที่มีไปคนที่จะมีให้เกิดขึ้นต่อมิตรเมื่อมิตรหรือเพื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างปกติทั้งหลายก็ควรจะรักปรารถนาดีเอือ้อทอนส่วนกรุณาเนี่ยเกิดความสะเทือนใจเมื่อคนอื่นประสบทุกข์คิดจะไถ่ถอน ทำทุกของบุคคลอื่นให้หมดไปหรือว่าแพรใจไปรับรู้ต่อความที่สัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์แพ่ความรู้สึกไปน้อมใจไปไปเห็นสัตว์ประสบความทุกข์ก็ขนขวายในอันที่จะช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือทางกายได้ก็ช่วยเหลือช่วยเถระทางวาจาได้ก็ช่วยเหลือกายวาจาไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ทางใจช่วยเหลือได้ช่วยเหลื อ, อยังไงตั้งจิตปราถนาขอให้เขาพ้นทุกข์ ขอยเข้าประสบความสุขโดยเร็วขอยพ้นจากหายนะโดยเร็วเราตั้งบ่อยไหมแบบนี้พอตั้งแล้วชื่นใจไหมหรือทุกใจต่อถ้าตั้งแล้วทุกใจต่อเป็นกรุณาเทียมพอตั้งแล้วชื่นใจแล้วก็น้อมว่กกุศลความดีที่เราทำขอพระรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายพ้นจากชาติภยัชภยชร า, าภายัยพยาธิภยัย พ้นจากหมันตภัยทั้งหลายที่ท่านกลางประสบพบเจออยู่นะเนี่ยใจที่น้อมไปแผ่ไปเอื้อทอนไปปราถนาอก็พ้นจากทุกเหล่านั้นเนี่ยการุณามันวิ่งไปแบบนี้นะพวกเราเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางดีแบบนี้ไหมโอโ้โหเนวันวันหนึ่งเนี่ยทั้งเมตตาทั้งกรุณาวิ่งเพ่นพ่านเลย เ, ยเป็นมีไหมมุทิตาก็โมทน า, ายินดีต่อผู้ประสบ ูประกอบด้วยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ น, น, นี่อนุโมทนานีก็นคนมีมุทิตาจิตเวลาใครไปเจริญกุศลมาปุ๊บเรารีบโมทนาเขาทันทีเลยไหมหรือโมทนาแค่รูปแบบยินดีด้วยนะแต่ในใจเฉยเฉยเคยเป็นไหมอย่างนี้เป็นมุทิตาไหมมุทิตาต้องยินดีพอ ย, ยินดีด้วยสนับสนุนส่งเสริมวนอุเบกขาก็คอยดูอยู่โดยละความขวนขวาย ก็คือเข้าถึงความเป็นกลางทีนี้เจาะไปที่เมตตาที่เรากําลังทํากันอยู่ฝึกกันอยู่เมตตาใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่เป็นปกติคําว่าปกติคืออะไรอย่างนี้เรานั่งนั่งกันอยู่นี่ปกติหรือไม่ปกติอย่างนี้ผิดปกติหรือปกติปกติควรเดินเมตตาได้ไหม ควรเดินควรให้จิตเป็นไปกับเมตตาก็คือว่าเป็นไปโดยการเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทีนี้เราจะเกื้อกูลแก่เขา <c oughs> มีจิตปรารถนาดีเกื้อกูลแก่เขาเนี่ยทำยังไงเอาถ้าหากว่าเห็นเราทั้งหลายกำลังอยู่กันปกติแบบนี้ก็มีใจรักปรารถนาดีขอให้สุกกายสุกใจแล้วอะไรต่อฮะปลอดภัยใช่ไ ขอให้ท่านทั้งหลายสุกกายสุกใจและปลอดภัยนะครบไหมสามคานี้ครบบริบูรณ์ไหมยังไม่ครบประเจาะเข้าไปบอกกขอให้เขามีความสุกกายและสุกใจสุกกายเนี่ยดีไหมสุขใจเนี่ดีไหมสุขใจเนี่ ย, ม, ยมีหลายระดับนะเช่ น, นกรรมมาสุขก็เป็นสุขใจเหมือนกันนะ เช่นได้สีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่มหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆนะฮก็มีความสุขเหมือนกันได้เสพการมาสุขอย่างเต็มที่ก็เป็นการมาสุขใช่ไหมเราปรารถนาให้เขาหมกมุ่นในการมาสุขหรือปรารถนาให้เขาได้กุศลหรือศีลสุขศีลสุขสุขอยู่ในศีลสมาธิสุขอยู่ในสมาธิใช่ไหมปัญญาสุขก็คือได้อยู่ในปัญญาเขาดําเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา ขลให้ใจเขามีความสุขและคลใอยเขาปลอดภัยจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายการที่มีการที่ว่าเป็นไปโดยการเกลื้อกูลการที่ปรารถนาหรือมีความคิดจะเกลื้อกูลเขานี่ลักษณะของเมตตาเป็นอย่างนี้หน้าที่ที่เลิกกิจเวลาเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อมนำประโยชน์เอาไปให้เขาถ้าน้อมนำประโยชน์ทาง ทางใจก็คือปรารถนาให้เขาประสบความสุขปรารถนาให้เขาสมหวังปรารถนาให้เขาได้ดีมีสุขไอ้ความคิดปรารถนาไอ้เขาแปลว่าเราได้เอาประโยชน์ไปให้เขาหรือยังประโยชน์มีกี่ระดับประโยชน์มีกี่ระดับสมระดับใช่ไหมประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเครื่องทิศถาทำให้กระทำประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันนี่แหละสัมปรายิกรทำประโยชน์ประโยชน์พบหน้า ปรมามัดทำประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมเวลาเราน้อมจะเอาประโยชน์ไปให้เขาเนี่ยประโยชน์ระดับไหนที่เราให้กันจริงๆโดยส่วนใหญ่เราก็คิดแค่ประโยชน์ปนัจจุบันปราถนานหนเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีอายุยืนอันนี้เป็นประโยชน์ปนัจจุบันไหมเคยคิดแบบนี้บ่อยไหมนี่ก็ได้ระดับหนึ่งปลาถนานหนเขามีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ดางด้านเศรษฐกิจและสังคม นี่เป็นประโยชน์ปัจจุบันไหมปรารถนาแล้วเขามีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมพอตามอัตภาพที่เขาควรมีแล้วก็ปรารถนาเขามีครอบครัวสมัครสมานสามัคคีอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแยกมีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนต่อกันการคิดแบบนี้เป็นไปตามลําดับอย่างนี้เขาเรียกเดินเมตตาเป็นแล้วหยิบเอาประโยชน์ไปให้เขาทีนี้เวลาคิด คิดทางใจอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราขวนขวายทางกายได้แต่เราไม่ขวนขวายมีศักยภาพจะขวนขวายจะเอาผ้าไปให้เขาเอาอาหารไปให้เขาหาที่อยู่ให้เขาเครื่องนุ่งห่มยาอาหารไปตั้งเหล่านี้แต่ไม่ขวนขวายตนหนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตามันไม่ได้ออกมันไม่ได้ผักออกจริงๆมันได้แต่เออไปนั่งเมตตาอยู่ในมุวทั้งทงั้งที่ตนเองขวนขวายจะช่วยเขาได้มีมีศักยภาพด้วย ที่สามารถมีเรี่ยวแรงกำลังจะหยิบของยื่นให้เขาอะไรต่างแต่ไม่ทำอย่างนี้เห็นเมตตาไม่ออกไปที่ ก, กายกรรมเขาใช่ยังมีข้อมูลความรู้แทนที่จะบอกเขาให้คำแนะนำเขาเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามก็ไม่บอกไม่กล่าวเขาอันนี้ไม่มีเมตตาวีกรรมที่ไม่หยิบยื่ยนประโยชน์ให้เขาพอมองเห็นหรือยังเห็นไหมจริงๆเราจะมองเห็นว่าเราขาดเยอะ พอพูดเจาะเข้าไปจริงๆเจาะรายละเอียดจริงๆเราจะเห็นว่าในใจเราเนี่ยแห้งแรงอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่อันนี้ถ้าเราเจาะเข้าไปจริงๆก็จะเห็นว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยได้กินอาหารพบเคยบอกว่าเฮ้ยมีคนเขาหิวเขาคนเขาอดอยากมีอีกเยอะอะไรใจใจคิดแบบนี้บ้างไหมอยาก ฉะนั้นตัวเมตตาที่เราหยิบยื่นประโยชน์ตาเห็นให้กับเขาเนี่ยนะตรงเนี้เรียกเมตตาเกิดเต้ระดับหนึ่งใครเคยคิดเจาะรายละเอียดเมตตาเดินได้อย่างนี้บ้างไหมตอนนี้เริ่มรู้หรือยังว่าวิธีคิดยังไงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคิดยังไงเป็นเมตตาทํำยังไงเป็นเมตตาพูดยังไงเป็นเมตตามีเมตตาเกิดขึ้นเป็นธรรมะประจําใจก่อนคุณธรรมเก่าวคือเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดขึ้นในใจแล้วผักออกไป เป็นการกระทำเป็นคําพูดเป็นการประพฤติประโยชน์และข้นขวายในการทําเต็มที่เต็มศักยภาพนี้เป็นต้นอย่างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเนี่ยหรือว่ามูลนิธิตามรอยบาทภาษาสระเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยข้นขวายอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยออกมาเป็นกุฏิออกมาเป็นต้นไม้ออกมาเป็นพื้นแผ่นดินออกมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ออกมาทางด้านอะไรเนี่ยก็คือข้นขวายนั่นเองเนี่ยเออจะต้องมีความเย็นให้กับผู้มาอยู่ตรงนี้ ให้ผู้ที่มาอยู่ตรงนี้ได้รับความสะดวกสบายอย่างเนี้เมตตาที่ออกมาทางด้านกายกรรมแล้วก็เอามีคนมาบอกข้อมูลทั้งหลายก็เป็นไปทางวิจิกรรมคิดก่อนที่จริงกระบวนการทั้งหมดที่ออกมาตรงนี้ได้ก็มาจากการคิดอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นสถานที่ต่างๆเยอะแยะในในโลกใบเนี้ยที่ผุดออกมาเนี่ว่าจะเป็นถนนทุนทางไม่ว่าจะเป็นสระน้ําไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นต้นเหล่านี้ที่บุคคลทั้งหลายที่มีใจที่เป็นไปกับเมตตานะ ต้องบอกวงเล็บว่ามีใจที่เป็นไปกับเมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนเนื้อผักออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่ า, าลนี้ให้ประโยชน์ใช่ไหมทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นไอตัวที่เมตตาเนี่ยเวลาผักออกไปก็อย่างที่บอกว่าประโยชน์ที่เลยตาเห็นแหละปรารถนาอยากจะให้ท่านผู้นี้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยนี่หวังประโยชน์เลยตาเห็นแล้วอย่างเช่นพ่อแม่ พี่น้องปู่ตายายาญาติมิตรเออเนี่ยท่านพวกนี้ยังไม่ได้ที่พึ่งเลยยังไม่ได้หลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามยังสเปสสปะอยู่เลยเดี๋ยวก็ไปนับถือต้นไม้บ้างดวงจันทร์บ้างดวงอาทิตย์บ้างพระอินทร์พระพรหมบ้างสเปสสปะอยู่เลยยังไม่ได้หลักในการดําเนินชีวิตเลยก็มีเมตตามีความปรารถนาดีทางด้านจิตใจก็น้อม เราเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงทิศหลงทางอยู่ยังมีศรัทธาไ ม, ไม่ถูกต้องถูกทิศถูกทางเยอะมากแล้วก็มีความปรารถนาดีน้อมใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยขอให้ขอให้ศรัทธาของท่านพวกนี้เป็นศรัทธาในความดีในพระรัตนตรัยถูกทางสักทีเป็นต้นทีนี้ถ้าเขายังดําเนินในศีลไม่ถูกใช่ไหมพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกุศลศีลเป็นตัวผลัก ขับเน้นให้เขาดาเนินได้ถูกต้องดีงามเราก็ปราถนาให้เขาได้ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามถ้าเขายังไม่มีข้อมูลคำสอนที่ถูกต้องก็ปราถนาให้เขาได้มีสุตาะได้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเขายังไม่มีจากคะคือการสละมัฉ ร, ริยะสละกิเลสยมมัฉยิยะนี่สละสละยากไหมความตันหนีเนี่ยสละยากไหมยากไม่ยาก อตมัชชริยะนิสลายยากไหมยากไม่ยากความตณีอ่ะตณีมีกี่อย่างอาวาสามัชชริยะตณีทินตณีที่อยู่มีไหมออไม่อยากให้ไม่ให้อยากไม่อยากให้มาอยู่ในที่ที่ของเรามีไหมตณีทินตณีที่อยู่ใช่ไหมตณีบ้านตณีทินตณีที่อยู่ ตนันีหมู่บ้านตนันหนีตำบลตนันีอำเภอตนันีจังหวัดของเราภาคของเราประเทศของเราไอความตันหนีตรงเนี้ยสละยากไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยไอมัจฉริยะตัวเนี้ยเป็นเห็นการกัดเย็งแล้วก็กุลลมัจฉริยตะตันหนีพวกพ้องมีไหมเอาเล่นพักเล่นพวกเล่นพักเล่นพวก ลาภามัชริยะตณีลาบแปลว่าผลประโยชน์เราควรได้พว ก, กเราควรได้คนอื่นไม่ควรได้แล้วก็วันน้ำวัชริยะก็แปลว่าสีผิวเกียรติคุณเนี่ยถ้าเขาไม่ยกเขายกย่องคนที่เราเกลียดเนี่ยโกรธไหม <laughs> เครื่องจริง อยู่ขึ้นมาตั้งนานไม่ยกย่องเราไปยกย่องใครนะี่ยกย่องใครไม่ยกย่องไปยกคนที่ยกย่องคนที่เราเกลียดตัอโอ้โหแค้นเคืองหญิงแล้วก็ธรร ม, มะมัชชริยะยอมเป็นคนถนีนีข้อมูลความรู้ไหมสูตรนี้เราคิดได้ไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวนี้ก็าเขาจดลิขสิทธิ์เนียไอ้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยโอ้โห่หวงกันอย่างอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมว่าปรารถนาให้คนให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ได้สําลอกกิเลสมีมัจฉริยะเป็นต้นแล้วก็ปัญญาปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายได้ปัญญาได้ประโยชน์ที่เลยตาเห็นหรือสัมปราคากถาประโยชน์แล้ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์คือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกเข้าถึงอนุปาทานปริณีพานเห็นไหมว่าเมตตาเนี่ยความรักปรารถนาดีเกื้อทอรเนี่ยวิ่งไปถึงขนาดนั้น งั้นกิจของเมตตาทั้งหลายน้อมนาประโยชน์ไปให้เขาพวกเราทั้งหลายก็น้อมประโยชน์ทางกายไม่ได้ทางวาจาไม่ได้ทางพฤติกรรมไม่ได้ก็ขอให้น้อมประโยชน์ทางใจมีความปรารถนาดีเยอะๆให้ออกไปได้จริงๆอย่าแห้งแล้งทางด้านเมตตาพยายามเติมฝึกให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นอย่าใช้ความคิดเป็นหอกไปทิมเขา เคยไหมใช้ความคิดเป็นห อ, อกไปปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยไปเสียบคนอื่นอยู่เลยแต่ให้ควายใช้ความคิดเหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนเดินแจกดอกไม้โอ้โหมันน่าชื่นใจนะเหมือนเหมือนแจกดอกไม้เหมือนอย่างนั้นเอาละวันนี้เราจะแจกจินตนาการเราจะมอบดอกไม้ให้ทุกคนมอบมอบมอบมอบ ม, อบมอบความรักปรารถนาดีเอื้อทน โอ้โหเหมือนเดินแจกดอกไม้เดินไปที่ไหนก็แจ ก, แจกเหมือนอย่างนั้นเลยนะเขาเมตตาเนี่ยมันเอาประโยชน์ไปให้เขาเอาสิ่งดีๆไปให้เขาผลปรากฏก็คือกําจัดความอาฆาตความแค้นเคืองให้ปราศจากไปนั้นความอาฆาตความแค้นเคืองความหงุดหงิดจะปราศจากไปทันทีเพราะเมตตาเกิดขึ้นนะมันดีตรงนี้แหละความหงุดหงิดจะไม่เกิดเลยเนะย ไม่เกิดเลยนะบางทีเราอ่านศึกษาในในจริยาวัรของพระโพธิสัตว์เนี่ยเราดูแล้วโอ้โหทำไมทาได้ยังไงทาได้ยังไงใช่ไหมอย่างในกักกกจูหรือกักกาจูบอมาสูตรเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยบอกใครสอนในพระเนี่ยให้ทำใจประดุดดังแผ่นดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมเหมือนอากาศงเนี่ย แล้วก็ถ้าใครเอาเรื่อยที่มีบุุษถือเรื่อยทั้งสองข่านมากาลังตัดเธออยู่เรื่อยเธออยู่เนี่ยใครทำใจให้โกรธคนที่กำลังตัดสรีระเธออยู่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราโอ้หหนักไหมโอ้โหอย่าว่าแต่เอาเรื่อยเลยมีใครสักคนหนึ่งลกเด็กๆสักคนลกเอามือมาตบหัวเครื่องไหมเนี่ยเครื่องเครื่องเลยใช่ไห มีรู้จักที่ต่ำที่สูงนีใครใครชอบใช้ความคิดเป็นหอกเป็นดาบเที่ยวไปฟันไปแทงคนอื่นไหมบ่อยไหมไม่บ่อยใช่ไหมไม่เป็นเลยใช่ไหมตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยไม่เคยใช้ความคิดทิมนคนอื่นเลยใช่ไหมเคยใช้วาจาเป็นหอกทิมนคนอื่นไหม ถ้าอย่างนั้นใจนะมีอยู่แล้วเพราะใจต้องคิดก่อนนะถึงจะใช้วาจาไปทิมคนอื่นไ ป, ไปกระทบคนอื่นได้ใช่ไหมล่ะต่อไปในเวลาเมตตาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันรู้สึกละอายขึ้นเลยนะจะไ ม, ไม่ไม่ออกมาเลยนะจะหยุดยั้งได้ทันทีเพราะประทัดฐานของเมตตาก็เห็นภาวะที่น่าจเจริญใจของคนและสัตว์ทั้งหลายก็คือเห็นสิ่งที่ดีๆของสัตว์ทั้งหลายเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลาย มองเห็นภาวะทั้งสัตว์ทั้งหลายน่าเจริญใจเห็นพฤติกรรมทางกายของเขาก็น่าเจริญใจพฤติกรรมทางวาจาก็น่าเจริญใจแม้สภาพจิตใจของเขาก็น่าเจริญใจเห็นบกคลิกภาพเห็นการกระทําของเขาเห็นกระบวนการความคิดของเขาเห็นทัศนคติดีๆของเขาแล้วก็น่าเจริญใจเนาะเนี่ยมันเกิดความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นการที่เรามีมณสิการไปเห็นตรงนี้คนได้ง่าย มองจุดเด่นคนได้ง่ายมองจุดดีคนได้ง่ายตรงนี้เมตตาจะเกิดได้อย่า ง, อ ย, างอย่างจริงจังและท่องแท้และจะเกิดได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นคนที่ฉลาดก็จะเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ง่ายต่ อ, ตอโทษะเกิดก็จะเริ่มเริ่มใช้ปัญญาใช้วิธีมนติการไปดูจุดเด่นของคนให้มากเพื่อจะระงับ ระงับไอตัวโทสะหรือปฏิฆะในใจตนเองให้หลุดลอยหายไปให้ได้แล้วก็ทําเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อต่อเรื่องและให้มีพลังมากขึ้นเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจจนหลอมรวมจนกลายเป็นพลังตกผลึกได้แล้วแต่เนี้ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาแต่เนี้ยโอ้โหแต่เนี้ยกายกรรมที่แสดงออกมาเป็นเมตตากายกรรมพูดออกมาก็เป็นเมตตาวจีกรรมทําประโยชน์ก็ทํำด้วยเมตตากายกรรมเออเป็นเป็นกระพื่อประโยชน์ได้เมตตา มันจะเป็นการหยิบยื่นประโยชน์ให้กับเขาแล้วก็ทำได้เมตตาทำได้ใจรักทำได้ความปรารถนาดีจริงๆเห็นไหมมันเวลาปฏิบัติออกมาเป็นภาคปฏิบัติการที่เป็นหลักของสังคาวัตถุเนี่ยหลักการสงเคราะห์เนี่ยเชื่อมประสานเกิดขึ้นทันทีเลยเี๋นี้มันจะเป็นเอกีภาพมันจะเป็นมันจะเป็นสภาพจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงแล้วก็ผกเมตตาออกมาเป็นการกระทําเป็นคําพูดแล้วก็เป็นบุคลิกภาพในการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายเนีเมตตาทํากิจ ในการผักดันในการดําเนินชีวิตกระแสจิตที่เกิดขึ้นสืบดับสืบต่อเนี่ยขึ้นสู่ชาวนาะเวลาปุ๊บเป็นเมตตาทุกครั้งแล้วกุศลจิตตะเลูก็จะปกคลุมกัลยาจายใช่ไหมก็จะเมตตาเกิดตลอดอาจารย์สุพงศ์ไปเจอเมื่อเมื่อวานนี้พระอาจารย์คอสนี้ผมจะยิ้มตลอดเไปบอกอาตมาตรงนี้เขาบอกผมจะต้องยิ้มตลอดเลยยอมน้ําบอกไว้ว่างั้น ออมาบอกเออดียังไงยังไงให้เมตตาวจีกรรมออกมาดูแล้วน่าชื่นใจใช่ไหมถ้าอย่างนี้เออดูแล้วน่าชื่นใจแสดงว่ายิ้มออกมาตลอด <S <S ทีนี้ถ้ามันยิ้มแบบไม่ใช่ยิ้มเหมือนนางงามจักรวาลยิ้ม น, นางงามจักรวาลในเวลาเดินยิ้มเนี่ยจริงๆใจเขาเมตตาจริงๆมิงไมันฉีกยิ้มนะต้องฉีกยิ้มเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านใช่ไหม ต้องพยายามเดินแล้วก็พยายามปั้นหน้าแล้วก็พยายามยิ้มออกมาอย่างนี้เป็นเมตตาไหม <c oughs> ใจมันต้องยิ้มก่อนมันต้องมีเมตตาเกิดขึ้นจริงๆ ร, งรงิใช่ไ <c oughs> ยากไหมเราเป็นคนไม่ใจเราไม่เอเราเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแต่จะมาฝึกให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยยากหรือง่ายยงยากหรือง่าย ไม่ยากหรอกถ้าทําเมตตาให้เกิดขึ้นจำไว้แล่ะยอมทํากันจริงๆอย่างจังนะกลับไปที่บ้านให้คนที่บ้านตกใจอะ่ะทําได้ไหมจนเขารู้สึกว่าไอ้ใช่คนเดิมไหมเนี่ยจนเขาต้องมาจับเนื้อจับตัวเราใช่หรือไม่ใช่เรบอกใช่แล้วไปทําอะไรมาต้องไปเจริญเมตตามา บอก oh, โหเมตตานี่ดีจริงๆมีความสุขมากบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, โลกใบนี้มันน่าอยู่อีกเยอะ <laughs> มองไปหนะ้าที่ไหน oh, โอ้โหเมตตาเกิดใช่ไหมน่าอยู่ไหมยิ้มได้ในสถานการณ์ที่คนกําลังประสบชาติทุกข์ชราทุ ก, ทกพยาทุกข์ใช่ไหม ย, ยิ้มได้เพราะเราได้เมตตาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเ้าเรียกว่ามีธรรมะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้ว เริ่มได้หรือยังผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงขนานี้กี่ชั่วโมงแล้วเลยยี่บสี่ชั่วโมงอยังเริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาหอยังเริ่มผนึกเมตตาได้เกิดขึ้นอย่างติด ต, ต่อต่อเนื่องและถี่ขึ้นหรือยังหรือว่าพาพูดจนขนาดนี้แล้วยังไม่ขึ้นเลยถ้งงั้นต้องพิจารณาใหม่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วคนพูดเนี่ย แสดงว่ากระตุกเมตตาให้เกิดไม่ได้อันนี้แปลว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาผู้พูดหรือผู้ฟังเนี่ยถ้างั้นเด่๋จะนิมนต์ท่านอาจารย์มหาสุร์ท่านมาเทศแทนน่ <c oughs> <c oughs> ท่านน่าจะมีวิธีการกระตุกเมตตาได้ดีกว่าต่านมาเนี่ย <c oughs> เริ่มได้บ้างก็ยังยอมลองพูดให้พระรู้สึกสบายใจขึ้นสักนิดสิ <c oughs> เดินเมตตาได้ยืนเดินนั่งนอนเมตตาเนี่ย อยู่ในใจได้อย่างติดต่อต่อเนื่องหรือยังช่วงไหนที่เมตตาเกิดได้ยากที่สุดและเดอมองหน้าใครเมตตาเกิดได้ยากที่สุดอ้ามบอกว่ามองหน้าท่านนี่แหละ <laughs> ังนั้นโอ้ยุ่งเลยเดีเนี้ <laughs> เ อ, อิบยอมทั้งเกตดดูไหมว่ามองหน้าคนแต่ละคนเนี่ยเมตตาเกิดไม่เท่ากันบางคนเกิดนิดเดียวหลบหายไปเลยทําไงก็ไม่ขึ้นเคยเป็นไหม พยายามแค้นยังไงมันก็ไม่ออกแค่นยังไงก็ไม่ออกยอมบอกมาซะดีๆนะว่าใครที่ยอมมองปุ๊บแล้วเมตตาไม่เกิดเลยแล้วมองลูกครับคิดถึงลูกเมตตาเกิดไหมเกิดใช่ไหมคิดตอนที่ลูกดือกกดด้อกับเราที่เขาเกยเขาดื้อกับเราเกิดไหมโอ้ยยังเกิดอยู่เลยโหเมตตาไม่เกิดง่ายแท้ขนาดมีที่มี คนก็ททำผิดเป็นอารมณ์แน่ๆเนี่นยยังสามารถเกิดได้โอ้โหทียอมมันไม่เกิดเลยนะยอมเกิดบ้างไหมเมตตาจิตเกิดบ้างั้มฉันพยายามมองยอมตั้งนานตั้งแต่เทศแรกๆเนยฉันยังไม่เคยฉันยังไม่ทำไมเมตตายอมอยู่ลึกจัง <laughs> ฉันพยายามสังเกตเรื่อยน่แต่ละคนบางคนก็ น, นั่งหลับเงี้ยนะ น, นีจะนึกเอเมตตาอยู่ลึกจัง ่ขุดไม่เจอเรื่องไงมันเป็นพ่ออะไรเนี่ยบางคนเอ๊ะฉันพยายามจะพูดให้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็นั่งหน้าเครียดอย่างเงี้ยฉันก็นึกเอ๊ะทำไมเมตตาไม่ออกมาเพ่นผ้ า, นผานในพระได้เห็นบ้างยังแปลกดีมันยากเย็นแสนเข็นกันขนาดนั้นเลยยอมมันผักไม่ขึ้นเลยเลยหรือว่ายอมดูลมอาณายอมเจริญอาณาบรรณสติกันมานานไหมเนี่ยหรือมัวแต่ดูลม ข้าลหม อ, อกแล้วไปเครียดกับลมเลยเมตตาไม่มางั้นตรงนี้ก็อยากให้โยมได้ได้ได้ฝึกให้เกิดขึ้นได้จริงๆใช่ไหมทีนี้มันเกิดได้ได้ถึงนาทีไหมโยมได้ไหมหนึ่งนาทีสองได้ไหมโอ้เชิญเริ่มได้แล้วท่านอียาบทนั่งอียาบทเดินยาบทยืนอียาบทนอน เยาบทไหนที่เมตตาเดินได้คล่องเดินหรือนั่งอ่มยมนั่งใช่ไหมแล้วเดินทำไมไม่ได้เพราะอะไรเพราะฮะอ๋อไปอยู่ที่การเดินไม่ได้ใส่ใจเรื่องเมตตาให้เกิดขึ้นตอนนั้นใช่ไหมอ๋องั้นก็ นั่งเนี่ยเมตตาเกิดได้ยาวๆาวไหมได้นานใช่ไหมตอนนั้นคิดถึงตนเองแล้วคิดถึงคนอื่นที่เมตตาเกิดได้ดีคิดถึงคนอื่นคิดถึงตนเองอะ่ะเมตตาเกิดไหมเกิดน้อยใช่ไหมคนอื่นเกิดมากกว่าทําไมเป็นงั้นเมตตามันวิ่งกลับหรือมันวิ่งหนีวั น, นี้มันไปทำไมมองคนอื่นเมตตาเกิดมองตัวเองเมตตาไม่ค่อยเกิดใช่ไหม ที่จริงก็คือทําไมต้องให้เอาตนเองเป็นพยานก่อนใช่ไหมต้องเอาตนเองเป็นพยานทีนี้อามาเจอโยมอยู่ท่านหนึ่งนะอามาก็สอนแต่ก่อนก็บอกว่าอา้าโยมท่องอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหารอพยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายอหางอันิโคโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีความทุกข์กายทุกใจอหารสุขียาตานางปฏิหารมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเอ๋อยอมไปท่องบอกท่านยอมนี่ท่องได้เลยนะเนี่ยแต่มันแต่มันไม่เห็นรักตัวเองอะไรเลยว่างั้นคือทํำยังไงมันก็ไม่รักตัวเองทำยังไงก็ไม่รักตัวเอง เมาอีมันผิดตรงไหนวะเนี่ยทําไมไม่รักตนเองคือใจมันไม่ปีติมันไม่เอิบอิ่มมันไม่ชื่นใจในการที่คิดถึงตนเองเลยยอมเป็นบ้างไหมโรคแบบนี้ยเป็นไหมอาการแบบเนี้หรือมองหรือคิดไปถึงตัวเองทีไรแล้ววูบอนรู้สึกรักตนเองแบบจับจิต จ, จับใจเกิดขึ้นจริงๆเลยหรือว่ามันเฉยๆมันเป็นยังไงยอมลองบอกความในใจดูที่มันมัน มันมีปฏิกิริยาอะไรออกมาไหมเวลาคิดถึงตนเองเนี่ยรักตนเองเงี้ยมันรักตนเองจริงๆย่อมย่มอยากปาฏอยากให้ตนเองอายุยืนไหมอยากให้ตนเองไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนไหมปราถนาให้ตนเองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเยอะๆไหมปราถนาให้ตนเองมีเกียรติยศชื่อเสียงไหม ปรารถนาให้ตนเองไปในะที่ไหนก็เป็นที่รักอยู่ในครอบครัวก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมีความปรารถนาดีๆกับตนเองแบบนี้ไหมการคิดการปรารถนาดีปรารถนาให้ตนเองประสบสิ่งที่ดีๆอย่างเนี้ยนึกปรารถนาดีให้กับตนเองแบบนี้ต้องการให้ตนเองเข้าถึงประโยชน์หยิบยื่นอยากตนเองเข้าถึงประโยชน์แบบเนี้ยไม่ชื่นใจเลย หรือว่าคิดได้ก็ไม่สมปรารถนาหรอกคิดอย่างนี้ไหม <c ười> คิดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้เรื่องในราวเลยเป็นงั้นไหมยอยากให้ตนเองสมหวังเกิดมาก็ผิดหวังตลอดมีโูกลูกก็ไม่รักมีสามีสามีก็ไม่รักมีภรรยาภรรยาก็ไม่รักมีเพื่อนเพื่อนก็ไม่รักแถมหลอกเราซะอีกเลยอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไหมจริงๆตรงนี้เวลาเราปรารถนาตรงเนี้ย ปรารถนาดีให้กับตัวเองเนี่ยภาวะจิตที่ดีที่เป็นเมตตามันเกิดขึ้นจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยใจมันจะเป็นปราโมทเนาะปีติปัปสสติสุขสุขมันเกิดขึ้นสมณะตเกิดขึ้นแล้วนะ่ะเข้าภาวะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นในการที่คิดถึงตนเอง น, นี่เป็นอย่างนี้สรุปตรงนี้ก็คือนี่เมตตาเมตตาเป็นไปโดยอาการลักษณะอย่างนี้ยอมมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวในเรื่องการจเจริญเมตตาไหม หรือมีมีจุดไหนที่มันทําแล้วมันติดขัดมันมันไปไม่ได้หรือมันมีอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคเรื่องท่านพูดไม่เข้าใจอ่ะสมมุตินเนี่ท่านใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาที่มันขวางกั้นเหมือนอยู่กับโลกเหมือนคนละโลกกับยอมอะไรเงี้ยหนึ่งหรือว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการที่ว่าไม่สามารถจะขับเคลื่อนหรือทํำเมตตาให้เกิดได้หรือเกี่ยวกับอะไร มีไหมยอ่ยอมเห็นความต่างกันย่งว่าเมตตาใช้ในสถานการณ์ปกติใช่ไหมถ้ากรุณาใช้ในสถานการณ์ไหนในสถานการณ์ที่คนอื่นตกทุกข์และเดือดร้อนใช่ไหมมุทิตาก็ใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นประสบความสุขได้ดีมีสุขถ้าอุเบกขาก็ใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามไม่เกิดขึ้นนะเนาะอามาจะไม่ลงไปที่กรุณาแต่ตอนนี้ขับในเรื่องเรื่องเมตตา นี่จะหมดเวลานะใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวให้ถามปัญหาในว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหนก็ดูปัญหาเนี้ยเวลาจะหมดแล้วใครจะถามเพิ่มเติมในขนานี้ก็ได้นะ เ, เชิญค่ะคำถามแรกนะเจ้าค่ะโยคีถามว่า เวลาเจริญภาวนาคิดถึงบุคคลแผ่เมตตาให้แต่ถ้าคิดถึงสถานที่หรือสิ่งของจะทําอย่างไรเจ้าคะ อ, อ๋อเวลาคิดถึงสถานที่และสิ่งของ<ม>ก็เชื่อมโยงไปถึงของของนั้นเป็นของใครนีสิ่งของนั้นเป็นของใคร ถ้าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องสถานที่และสิ่งของเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่านึกถึงสถานที่นี้เราสามารถที่จะน้อมจิตเมตตาไปให้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำทั้งหมดน้อมปราถนาให้เขาประสบความสุขความสมหวงังสมปราถนาที่ตั้งใจแล้วก็น้อมถึงสถานที่ตรงนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ปราถนาให้คนทั้งหลายมาใช้มาเจริญกุศล เมื่อเขามาใช้สถานที่ตรงนี้เขาจงสามารถดาเนินกระแสดชดไปตามศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเป็นที่ตั้งแห่งการบาเพ็ญกุศลทั้งทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เขาเป็นปัจจัยแห่การพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้โดยฉับพันเวลาเราคิดถึงสถานที่ก็ยึดโยงกับบุคคลได้ที่ตรงนี้ ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนให้คนทั้งหลายได้ใช้สถานที่ตรงนี้เขามีความสุขจากที่เขาร้อนเขาก็จะได้หายร้อนจากที่เขาเขาเกิดมีพยันอันตรายจากฝนตกแดดออกฟ้าร้องทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเขาก็ได้มาใช้สถานที่ตรงนี้จากเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเขาก็มาใช้สถานที่ตรงนี้เกิดความรู้ความเข้าใจ จากการที่เขายังเดินศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เขาก็มาใช้สถานที่ได้ฟังข้อมูลได้ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถพ้นดาเนินกระแสชีวิตไปได้อย่างถูกต้องดีงามแม้ในนึกถึงต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถนึกถึงเบื้องหลังของบุคคลที่ทําหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าให้ออกซิเจนให้อากาศ ให้สิ่งที่ดีงามอย่างไรให้ก บ, บุคคลทั้งหลายเข้ามาอยู่ได้อิงอาศัยได้บรรยากาศที่ดีได้ธรรมชาติที่ดีทำให้จิตใจเขาเกิดความล่าเริงปลาโมดปีติทำให้เขาสามารถคลายจากอากุศลและการมันชั่วร้ายตั้งมั่นอยู่ในกุศลอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะระลึกได้อีกมากมายพอจะมองเห็นไหมว่าสถานที่แม้ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ก็เชื่อมโยงกับสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้ว แม้แต่สัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัานได้อาศัยู่อาศัยมนุษย์ทั้งหลายได้ได้ที่อยู่อย่างนี้ได้มาอาศัยได้ล่มเงาได้ความสุขได้การเจริญกุศลขอให้เป็นสถานที่ที่เป็นรัมณียสถานแก่บุคคลเหล่านี้เมื่อได้รามณียสถานแล้วได้จิตใจที่ปราโมทย์ปิติปัสสติเป็นต้นเหล่านี้สุขแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยต่อสมาธิเป็นปัจจัยต่อการเดินปัญญาจะได้นําพากระแสชีวิตดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิบทา มีพาณิพานเป็นจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกโดยรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้ น, นก็ได้แม้แต่เราไปกวาดเห็นไหมที่เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมอ่ะถ้าไปกวาดทําความสะอาดเนี่ยรับหลังเอาละไม่ต้องมีใครเห็นแต่เรามีเมตตาในการไปปัดกวาดสถานที่เหล่านี้เช็ดถูสถานที่เหล่านี้โดยหมายใจบอกว่าสถานที่ตรงนี้จะได้เป็นที่อยู่อาศัยหรือคนจะได้มาบำเพ็ญเพียรมาประพฤติปฏิบัติ ก็ทําด้วยความรักความปรารถนาดีเอือ้อถอนี่เขาเรียกเมตตากายกรรมรับหลังถ้าเมตตากายกรรมต่อหน้าก็คือทําต่อหน้าก็ได้ต่อหน้าที่ท่านผู้นั้นอยู่กระทาอย่างนี้เป็นต้นนั้นสถานที่ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสามารถจะทําเมตตากายกรรมได้เมตตาวจิกกรรมโดยเฉพาะมาจากเมตตามโนกรรมเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทําเกื้อหนุนในะนะสถานที่ต่งางๆพระเนี่ยเวลาท่านทําข้อวัดเนี่ย เห็นไหมไปเดินนะวันก่อนเอามาเดินมาก็เห็นพระท่านกวาดกันเก็บเนี่ยนั่นแหละท่านกำลังทำเมตตากายกรรมต่อหน้าบ้างรับหลังบ้างแล้วก็ชวนกันท่านทั้งหลายมาช่วยกันนะเนี่ยพูดกันด้วยเมตตาพูดกันด้วยความรักปรารถนาดีจะได้ทำสถานที่ตรงนี้ให้ร่มรื่นให้เป็นลัมมณยสถานนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้เป็นที่อาศัยแก่ผู้มีศีลแก่ผู้มาประพฤติปฏิบัต เมื่อญาติโยมพุทธบริษัทหรือภิกษุมาเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วเขาก็เกิดจิตใจจิตใจมีความสุขสุขที่เกิดขึ้นนั้นน่ก็เป็นกุศลที่เห็นหมู่ภิกษุสงฆ์มาอยู่กันณนะสถานที่ตรงนี้ก็มีความสมัครสมาสามคัคคีไม่พอยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยังมีจิตใจในการทำข้อวัด ดำเนินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงบอกไว้เงี้เป็นต้นก็เกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้เห็นไหมมองสถานที่ก็ปฏิบัติเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมมันมาจากเมตตามโนกรรมนั้นหลักของพระที่อยู่ด้วยกันจึงมีหลักที่บอกเมตตากายกรรมกระทาสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเวลาพูดถึงกันนี่นะยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันต่อหน้าแล้วก็พูดกันด้วยความเมตตาใช่ไหม รับหลังไนงะพูดยังไง ร, รับหลังก็พูดด้วยเมตตายกย่องสรรเสริญเกื้อกูลนําสิ่งดีๆที่เห็นมีอยู่จริงเอามานํามากล่าวมานําเสนอมาพูดอย่างนี้ก็เป็นเมตตาวิาจิกรรมรับหลังถ้าเมตตามโนกรรมต่อหน้าทํำยังไงเนี่ยมองไว้เนี่ ย, ยทำให้เมตตาเกิดหรือหลับตาเลยลึกถึงในตอนหน้ารับหลังก็ไปนั่งหนาอาสนะเดียวแล้วก็แผ่เมตตาจิต ไปให้กับบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนี้เป็นต้นพอจะชัดเจนไหมเจ้าค่ะคำถามถัดมานะเจ้าคะเมื่อกี้มีข้อสงสัยว่าความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกับความอยากที่เกิดในโลภะหรือตัณหาต่างกันไหมเจ้าคะอ๋อคือเออนี่ถามดีตัว ตัวเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยเขาสงบระงับหรือว่าความขัดเคืองหรือปฏิฆาเนี่ยความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยกิจของเมตตาเวลาเกิดขึ้นก็จะทําลายความขัดเคืองความโกรธหรือปฏิฆาความหงุดหงิดได้แต่วิบัติวิบัติของเมตตาก็คือเมื่อเกิดขึ้นมาทําให้เมตตาหายไปก็คือเกิดสีหาหรือเกิดตันหาขึ้นมาไอตัวตันหา อะไรเป็นอะไรเป็นค่าศึกใกล้ของเมตตาราคะความกาหนัดหรือตัณหาในความทยานอยากนี่แหละค่าศึกไกลล่ะพยาบาทหรือโทสะให้สังเกต ด, ดูนะเมตตาเนี่ยเขามีไอตัวพยาบาทเป็นค่าศึกไกลมันเห็นได้ชัดแต่อตัวค่าศึกใกล้ๆน่มันแฝงดูอยู่เนี่ยก็คือตัวตัณหานี่แหละบางทีมันมาจริงๆเมื่อสักครู่ที่บอกว่า เออความอยากที่เป็นตันหากับความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยมันก็เลยมีรักสองแบบใช่ไหมรักแบบเมตตากับรักแบบตันหาถารักแบบเมตตามันเป็นความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนปรารถนาให้คนที่เรารักเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ถารักแบบตันหามันมีเงื่อนไขว่าต้องการให้คนที่เรารักมาตอบสนองมาบำรุงบาเรอมาตอบสนองความต้องการของเราในความรักแบบตันหาเป็นแบบนี้ ฉะนั้นเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยนะรักพ่อรักแม่ใช่ไหมมีใครมาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาเกื้อกูลพ่อแม่เราแล้วก็ยิ่งรักเขาเนี่อย่างนี้นะถ้าเราไปรักภรรยาแล้วมีใครมาเกื้อกูลขับรถไปไปส่งภรรยาชักคิดหนักตรงนี่คืออย่างนี้ตัวตันหาเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าต้องการเอาตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วใครที่มาตอบสนอง ความต้องการของตอนเองมาบมรุงบมเลออัตตาตัวตนของตอนเองเนี่ยให้ตนเองได้สมปรารถนาตรงนั้นเนี่ยมันมันจะเกิดความไอ้ตัณหาจะเป็นรักอย่างงี้คืออย่างนี้ก่อนว่าอัตตาตัวต น, นมีอยู่จริงไหมจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอัตตาตัวเราจริงๆมีอยู่จริงมจริงจริงมันไม่มีแต่ตัณหาเนี่ยสำคัญว่ามี รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันหรือกระแสชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสภาวะธรรมที่มันเกิดดับสืบต่อที่เราสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู้ตายายายเมตตาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเวลารักปรารถนาดีเนี่ยก็มีปัญญานำหน้าเป็นปุเรจาริกปัญญาไปชำระเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าจริงๆโดยสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่ก็รักมันจึงเป็นความรักที่ไม่งมงาย เป็นความรักที่ต่องแท้เป็นความรักที่ขับเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมะเช่นว่าพ่อเนี่ยรักลูกเนี่ยก็รักด้วยฐานะที่ตนเองเป็นพ่อจะทำหน้าที่เพื่อจะฝึกตนเองเข้าถึงคุณธรรมความเป็นพ่อเห็นไหมเมื่อฝึกตนเองเช่นว่ากรณีที่ว่าชี้แจงให้ลูกเข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยหน้าที่ของพ่อใช่ไห เหตุผลที่ต้องฝึกหรือต้องแยกแยะอย่างนี้เพราะต้องการให้ลูกได้เข้าใจแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นในนี้แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในการอันควรหรือหรือว่าให้แต่งให้ให้มีคู่ครองเป็นต้นแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในการนันคว ร, รวคคเป็นต้ น, รต ห, น, ร น, นรหรือถ้าลูกเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบรักพ่อเนี่ยเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเมื่อท่านล่วงรับธรรมบุญอุทิศเนี่ยที่ตนเองทําเนี่ย โลกที่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ทําเพื่อพ่อแต่ทําเพื่อฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมของความเป็นลูกเข้าถึงธรรมะไม่ใช่มีพ่อหรือมีลูกนั้นเป็นจุดหมายหลักแต่มีตัวธรรมะเนี่ยเป็นจุดหมายหลักนพูดยากนิดนึงเ น, นีเห็นไหมว่าตนเองที่ฝึกหรือว่ามีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเนี่ยรักลูกหรือรักพ่อรักภรรยารักสามีเนี่ยก็ต้องการฝึกตนเอง เหมือนสามีใช่ไหมบอกว่าบอกว่าด้วยยกย่องนับถือว่าภรรยาสองไม่ดูหมินสมไม่นอกใจ 4. ก็มอบความเป็นใหญ่ให้ห้าก็าหาเครื่องประดับให้ในการอันควรถ้าสามีที่รู้จักธรรมะข้อนี้รู้จักกุศลศีลข้อนี้ก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงตัวกุศลศีลเหล่านี้แล้วมีความสุขในการกระทานั้น เห็นไมเการที่ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้เพราะเข้าใจกระบวนการของชีวิตดีเข้าใจสมมุตินี้ดีว่าเราจะปฏิบัติตามสมมุติแล้วก็ตามตามหลักนี้เพื่อให้กระแสะชีวิตของตนเองเข้าถึงธรรมะเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นพ่อเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นลูกเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นสามีเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นภร ร, าาา ร, ร, ารยาที่ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยแยก ตัวปัญญาที่เราศึกษาเรื่องเมตากับตัณหาเนี่ยก็แยกแยะว่าอ๋อตัณหามันคล้ายกับเมตตามันรักเหมือนกันแต่เมตตาเนี่ยรักปราถนาดีเ อ, อื้อทอนก็ต้องการอยากจะหยิบยื่นประโยชน์ให้และเมื่อหยิบยื่นประโยชน์ให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้ไปหวังว่าบุคคลหรือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องที่เราไปหยิบยื่นประโยชน์ให้เนี่ยเขาจะมาตอบสนองอัตตาตัวตนของเรา กลับไปกายว่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือมีความสุขที่ได้เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจที่เป็นไปกับความรักปรารถนาดีเอื้อทอนที่ได้ขวัญขวายในการเกื้อกูลกระแสชีวิตท่านพวกนี้หยิบยื่นประโยชน์ไปให้เขาเขาขาดประโยชน์ปัจจุบันก็หยิบยื่นให้เขาเขาขาดประโยชน์ในพบหน้าก็หยิบยื่ในให้เขาเขาไม่เข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งก็บอกประโยชน์แนะนําให้เขาได้เข้าถึงประโยชน์อย่างนั้นมีความรากักความปรารถนาดีอย่างนี้เมื่อบอกหรือเมื่อ หมดหน้าที่แล้วเนี่ยนะเขาจะทําได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทุกก็ไม่เครียดก็ไม่กุ้มเพราะได้ทําหน้าที่ของตนเองตเต็มที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อทําทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้หวังว่าท่านผู้นี้จะมาตอบสนองอัตราตัวตนหรือมามาบํารุงบาเรอหรือมามาม า, มาดูแลมาเทคแคร์อะไรเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้น ไม่ได้ปราถนาตรงนั้นเลยเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายจึงทำพ่อมองเห็นไหมถ้ายังไม่ชัดก็ถามต่ออ้าวข้อที่สามจาใจจะหมดเวลาแล้วเจ้าค่ะโยคีถามว่าไม่สามารถนั่งสมาธิภาวนาได้พอหลับตาเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิ เหมือนเมื่อร่างกายมันโงนเงนินจะลม้มจนต้องลืมตาขึ้นหรือบางครั้งก็มึนหัวจะอาเจียนทำให้ต้องลืมตาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะอันนี้มีปัญหาด้านอาจจะเป็นด้านอย่างนี้นะว่าจริงๆคืออย่างนี้เป็นการกระทาที่บางทีเราฝืนฝืนธรรมชาตินิดหนึ่ง คือหนึ่งบางครั้งเนี่ยเก่งเกินไปตั้งใจเกินไปเนี่ยนะมันมันผิดมันผิดบางทีเราอยากจะมันตั้งใจจนอยากจะทาให้มันดีเกินก็งปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ ย, เ, ยเวลาเราแบบทำให้สบายๆเนี่ยทำจิตให้สงบแล้วก็ไม่ไม่ทำภาวะจิตใจให้เกิดภาวะความเครียดเป็นต้นอะไรเนียให้สังเกตดูนะว่าเวลาเรานั่งแล้วเรา เราบอกว่าเราจะปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกมันมันมันมันตั้งท่าไปหมดเลยพอตั้งท่าระบบหายใจบางทีมันเร็วขึ้นหรือมันช้าลงเนี่ยนี่ผิดธรรมชาติที่เราเคยเป็นนะบางคนเนี่ยมันไปตั้งใจแบบนี้เกินกว่าเหตุแค่จะไปนั่งสมาธิน่ยมันผิดมันจะต้องทำทำผิดปกติจากบุคลที่ตัวเองเคยทําเวลาจะหายใจก็แต่ก่อนเคยหายใจแบบนี้ยพอมาทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาละช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปผิดธรรมดาที่เราเคยเป็น อ น, นี้อาการเวียนศีรษะก็เกิดได้ง่ายด้วยซ้าไปถ้าแบบนี้เป็นแบบนั้นไม่เราลองสังเกต ด, ดูนะถ้าเราทําเป็นเป็นปกติแล้วมันยังเป็นอยู่นี่บ่งบอกได้เลยว่ามีปัญหาเรื่องความดัน <c oughs> มีปัญหาเรื่องความดันแน่นอนแต่ถ้าหากว่าทําเป็นปกติแล้วเนี่ยมันหายนะมันไม่เป็นไรนี่แสดงเห็นชัดว่าเราเนี่ยเก่งบ้างหรือทำไม่ไม่ไม่เป็นไปตามปกติหรือธรรมชาติลองดูทีแป๊บเดียวบางทีนั่งเค็ค แค่ฟังธรรมะหรือพูดธรรมะเนี่ยพูดให้ผิดปกติกั้นใจหรือว่าฟังตั้งใจกั้นใจการหายใจผิดปกติขึ้นมามันยังยังมีสภาพร่างกายที่มันผิดปกติเลยฉะนั้นให้เป็นปกติที่เคยเป็นเคยหายใจเร็วก็เร็วเคยหายใจช้าก็ช้าเป็นปกติยกเว้นแต่ว่าเมื่อจิตมันเสถียร น, นะมันปรับลมหายใจไปเองนั่นอีกอย่างหรือมันปรับร่างกายไปเองเพราะสภาพจิตเนี่ยถ้ามันบาลานซ์ขึ้นมาลมหายใจจะบาลานซ์ เช่นสมาธิกับตัววิริยะเนี่ยบาลานสัทธากับปัญญามันบาลานจากสติไปตัวเกลีย่ยให้อินทรีย์ทั้งหลายได้บาลานปุ๊บสภาพดินน้ำไฟลมที่มันเกิดจากจิตมันจะเกิดบาลานได้ดีฮะนี่ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตโดยเฉพาะลมเนี่ยลมหายใจเข้าออกเป็นจิตแต่ชื้อรอยู่แล้วรูปที่เกิดจากจิตมันก็บาลานเลยการเข้าออกกราบาลานเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีทางบาลานเพราะอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่เป็นไม่ได้ถูกปรับเพราะสภาพจิตของเราไม่เสถียร เข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวนี่เป็นปกติแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราปรับไอ้ตัวนี้ได้อย่างดีปุ๊บสภาพจิตเสถียรแล้วทั้งเข้าทั้งออกก็จะเสถียรอันนี้ก็คือคือสภาพทางด้านของของลมอันนี้ลมลมเนี่ยเป็นจิตแตชืรูปทีนี้ดินน้ำไฟลมในร่างกายก็เหมือนกันเมื่อสภาพจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ดีถ้ายอมเดินพรหมวิหารเดินเมตตานะได้จนรู้สึกว่าได้คล่องแคล่วแล้วมันจะเสถียรหมดแล้วจะร่างกาย สภาพจิตสภาพร่างกายทั้งหลายจะจะรู้สึกว่าไม่เกร็งและจะรู้สึกว่าผ่อนคลายทั้งหมดเลยนะกุศลจิตเนี่ยจะทําให้จิตผ่อนคลายทั้งหมดไม่ต้องเข้าไปหาคนนวดบ่อยๆมันรู้สึกผ่อนคลายเลยนะสภาพจิตก็ดีแล้วก็ปรับดินน้ําไฟลมในร่างกายให้ได้ดุลยภาพหมดเลยเนะี่ยรู้สึกว่าสีหน้าแววตาก็พองใสเนะีย ผิวพันธุ์ก็งดงามมันออกมาอย่างนั้นจริงๆพอเมตตาจิตมันทํางานตลอดลองคิดดูดิโอ้โหไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องประทินผิวอีกเยอะเลยเมตตามทากิตใหญ่ทำทำทำผิวเริ่มพองใสใช่ไหมถ้าอยากให้ให้ให้ผิวหยาบยมไงนี่เดี๋ยวยมกโกรธบ่อยๆโกรธโกรธโกรธเจอใครก็โกรธแล้วก็มาหมุนหมุนคิดคิดอยู่เนี่ยแล้วมันจะเริ่มมีตุ่มขึ้นตามตัวเป็นปุ๊บ ป, ป, ป, ป, ปุ๊มันจะผิวจะหยาบหยาบห ย, ยาบขึ้น เห็นไหมแต่ปรารถนาอยากจะให้ผิวละเอียดเนียนเมตตาเยอะๆเมตตาเมตตาถ้าไม่เกิดผิวก็จะดีอันนี้พอดีตามามองไม่ชัดไม่รู้ยมเดินเมตตากันได้แค่ไหนถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนมามองไปมาจะแยกได้แยกเม็ดเม็ดเม็ ด, แ, มดแต่ตอนนี้ต้องใช้แว่นใช่แล้วอาจจะรู้เลยว่าโอ้โนี่คนคนนี้เดินเมตตาดเดี๋ยวเราจเจริญเมตตากันถึงสี่ห้าวันเนี่ย เชื่อผิวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยผิวพันงดงามยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วตอนนี้ความสุขมันเกิดบ้างยังเริ่มมีไหมใจเป็นสุขมากขึ้นไหมมีอะไรกระทบกระทั่งก็ไม่เครียดไหมเป็นเงั้ยไหมถ้าไม่เปิดแอร์ฟังธรรมะก็ไม่เครียดรือเป็นเงั้ยไหม <c oughs> หวยหวายขึ้นมาทีไหมเอนี่ <c oughs> สแสดงว่าเริ่มใช้ได้ มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมสามเป็นคำถามมีหมดแล้วนี่เ อ, อ้ยยังเลยอ๋ออีกหนึ่งคันถามเชิญเพราะมาเลยพูดไปพูดมาเลือนเลืเลยมีไหมคะมีจะถามสดไหมคะอาอาเชิญเชิญ<ๆ>อันนี้เรายังเก็บไม่ถามาได้หลายๆรอบทุกรอบเอา ม, มีมียอ ม, ม, มข้างหลังจะถามอาเชิญเปิดไม้หน่อย เดี๋ยวที่ยังมีอีกสองแผ่นก็ประมาณสี่คำถามเจ้าค่ะเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้เจ้าค่ะก ล, ลับนมกลับนมศกา ร, รพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์มีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการปรับสภาพจิตนะคะตรงนี้อยากจะให้พระอาจารย์ชี้แนะมากขึ้นนะคะว่า คนจะปรับสภาพจิตตรงนี้ได้ยังไงให้มันสมดุล น, นะคะหมายถึงปรับอินทรีย์ใช่ัหยใช่ค่ะเ <c oughs> วลาพอเมื่อวันี <c oughs> คือคืออย่างนี้จริงจริง ๆ, ๆน่าจะไม่ไม่เกี่ยวกับคอร์สนี้เท่าไหร่คือคือด้านอินทรีย์เนี่ยเป็นอย่างนี้โยมศรัทธาคือความเชื่อมั่นเนี่ย ที่ไปเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยนะกับตัวปัญญาที่ท่านสอนว่าให้ให้บาลานซ์กั น, นจริงๆแล้วตัวที่เป็นตัวปรับจริงๆก็ใช้สติไอ้สตินี่เป็นตัวปรับเพราะสตินี่เขาจะทําหน้าที่ในการดึงการตรึงเนี่ยไอ้ตัวสตินี่เป็นตัวที่ต้องทําหน้าที่ในการไปปรับให้เกิดความบาลานซ์กั น, กนระหว่างศรัท ธ, ธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิถ้าศรัท ธ, ธาความเชื่อเนี่ยมาก พอตัวศรัทธาเนี่ยมันมั น, ม, นมันทำกิจมากเกินไปมันน้อมใจเชื่อมากเกินไปเนี่ยตัวปัญญาการไปวิจัยแยกแยะเหตุและผลมันจะหย่อนลงมันจะแต่มันดีนะถ้าคนใหม่ๆเนี่ยนะต้องการอยากจะเดินสมาธิภาวนาเนี่ยศรัทธามากไม่เป็นไรเอะน้อมใจเนี่ยเพราะว่าถ้าไปวิจัยมากทั้งหลายเหล่านี้มันจะกลายเป็นว่าตัวสมาธิจะไม่ค่อยเกิด ฉะนั้นตัวตัวตัวศรัทธาใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นไรถ้าจะมีการว่ามั่นคงตั้งมั่นในพระธรรไตรยัยเชื่อมั่นในคุณของพรธเจ้าแล้วก็ตัวศรัทธาเนี่ยเวลาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วมันจะมีพลังมากหนึ่งจิตผ่องใสคือมันมีพลังในการที่จะก้าวออกไปนะคือว่าไอ้ตัวปัญหาที่เรียกว่ากามโมคะเนี่ย ที่เป็นตัวขวางกั้นทําให้กระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายจมอยู่จมอยู่ในห้วงน้าจมอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยพอมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยในพระเจ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกิดพลังขึ้นมาพอเกิดพลังขึ้นมากล้าที่จะก้าวข้ามกล้าที่จะเดินตามกล้าที่จะปฏิบัติตามโดยไม่หวั่นไหวเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวศรัทธาเนี่ยจะโลดแล่นมากในใจพอพอมีพลังอย่างนี้ขึ้นมาจะผลักนําพากระแสชีวิตเนี่ย นำพากลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายให้ก้าวข้ามบาปอากุศลกรรมมันท่านอุปมาเหมือนกับว่าเหมือนกับทหารกล้าที่มีผู้คนทั้งหลายยืนอยู่บนขอบตะลิ่งเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ไอทหารกล้าคนเนี้มีดาบกล้าที่จะเดินนําหน้าแล้วบอกท่านทั้งหลายอย่า ก, กลัว่าจระเข้อย่า ก, กลัวสัตว์ร้ายเราจะนําหน้าเอง ก็เลยทำให้คนยืนลออรีลออเนี่ยฮึกเข๋มแล้วก็กล้าที่จะเดินตามกล้าที่เดินตามในการที่จะข้ามข้ามในน้าที่มีสัตว์ร้ายอยู่เนี่ยไม่ใช่ฉันใดคนที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็กล้าที่จะเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกกล้าที่จะเดินตามพะธรมกล้าที่จะเดินตามหมู่อริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยนี่มันโลดแล่นในการที่จะนำไปงี้ทีนี้ พราะว่าตัวศรัท ธ, ธาไปทํากิจมากๆ า, ก า, กากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวปัญญาที่จะไปแยกแยะเหตุแยกแยะผลเนีเขามองออกไหมมันก็จะดอบลงเนี่ยลักษณะเนี้ยมันไม่ได้ดุลยาภาพมันไม่ได้ดุลฉะนั้นตัวสติจึงต้องมาทํากิจในการที่ตัวเจตจํานงความจงใจตั้งใจสตินี่แหละก็ต้องทํากิจในการเป็นฐานในการที่จะไปทําให้ตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญาเนี่ยไปแยกแยะวิจัยทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะ ทำให้ตัวปัญญาทำกิจได้มากขึ้นในการวิจัยแยกแยะมันก็จะกลายเป็นแปลการลดลดตัวศรัทธาลงให้ได้สมดุลให้ได้บาลานซ์กันอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดอุปมาเหมือนอย่างนี้โยมเหมือนเหมือนไฟมีไฟอยู่4ดวงนี่นะมันมีตัวเอกตัวคอนโทรไฟเนี่ยสติเป็นตัวเหมือนตัวคอนโทรเช่นว่ามาปรับเพื่อให้ไฟ ต, ตัวนี้สว่างมากสว่างน้อยตัวนี้สว่างมากสี่ตัวเนี่ย ไอตัวสติเป็นตัวไปจัดแจงว่าจะให้บาลานซ์กันยังไงแล้วก็คอยกํากับว่าไอช่วงนี้ไอไฟด้านซ้ายนี่สว่างมากเกินไปด้านขวาสว่างน้อยเกินไปแล้วแต่ปรับให้เข้ากันยังไงด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของอินทรีย์เป็นไปลักษณะอย่างนั้นแต่สติเนี่ยเขาเป็นตัวเด่นอยู่แล้วถ้ามองดูในด้านของวิริยะก็เหมือนกันถ้าถ้าหากตัวบุกฟ้าหรือแ ก, กล้า หรือตัวเพียรมากเกินไปเนี่ยไอตัวสมาธิสมาธิมันดอบขึ้นมามันจะเอียงเข้าสู่ความฟุ้งซ่านใช่ไหมอันจะฟุ้งง่ายแต่ถ้าหากว่าให้สมาธิน้อมใจไปในสมาธินิมิตมากมากมา ก, มากเกินไปเนี่ยพอได้สมาธิขึ้นมามันเฉ่ยมันใกล้ต่อโกสศช้าคือเกียด์ค้านมันไม่ค่อยอยากจะบุกฝ่าต่อ ให้สังเกต ด, ดูนะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างมันสบายพอสบายแล้วเฉยไม่ค่อยอยากบุกฝ่ามันมันสุกแล้วมันดีแล้วมันโอเคแล้วในขณะ น, นี้ก็ไม่กระตือรือร้นแต่ถ้าไปให้เพียนมากเพียนมากไปปุ๊บสมาธิหลุดขึ้นมาก็จะฟุ้งไปใหญ่เลยในเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าให้สมาธิมากปุ๊บเฉยอ ย, อยู่เรื่อยเยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยในความเพียนก็จะหย่อนไปอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ต้องต้องสติต้องคอยปรับ ระหว่างไอวิริยะกับสมาธิให้ได้ดุลยังไ ง, งนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเวลาเราจะเดินเมตตาในช่วงเนี้ยจริงๆก็คือสิ่งที่เราควรทําก็คือการมีสติในการที่จะกระตุ้นให้เมตตาให้เกิดขึ้นแล้วก็มีศรัทธาเชื่อมัน่นมากๆไม่เป็นไรในช่วงนี้นะเพราะเรายังอนุบาลอยู่ยังอ่อนอยู่ยังไม่ได้ถึงช่วงที่ต้องไปปรับขนาดนั้นนะมามองดูเนี่ยนะยังไม่ใครถึงโอ้โหเพี้ยน จ, จนเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังก็ยังไม่เห็น หรือว่าได้สมาธิอย่างตั้งมั่นก็ยังไม่ชัดหรือว่าได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่อาถานแกล้วกล้ากล้าที่จะบุกฝ่าออกจากกิเลสหรือเพชคฆาดภายใน่าศึกภายในเห็นมันเป็นโทษจริงๆแล้วเชื่อมั่นฉะ้นนคนที่เกิดความเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นว่าเราจะเดินออกจากตัวกิเลส ทั้งเป็นราค้โาโทสะโมหะทึ่งเป็นตัวเพชฌฆาตภายในค่าศึกภายในศัตรูภายในมันเป็นห่วงน้ําใหญ่ที่มันขวางกัน้นกล้าเด็ดเดียวพอเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในหมู่เดียสงอ์ที่ท่านก้าวข้ามไปได้แล้วเนี่ยก็บุกฝ่ากล้าที่จะตามไปในความเด็ดเดียวความแกล้งกล้าที่จุนตัวศรัทธาตรงนี้ก็ยังไม่เห็นว่าใครเด็ดเดียวขนาดนั้นนีอาจจะมีก็ได้อาจจะซ่อนซ่อนอาตมาไว้ก็ได้เพราะยังไม่เห็นแต่จริงๆควรเพิ่มนะควรจะเพิ่มศรัทธา จะมาตอบตรงประเด็นไหมเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่ตรงประเด็นก็ช่วยเสริมนิดนึงช่วยช่ยช่วยติงนิดหนึน่งอ้าวถามไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมพอจะชัดไหมาม า, าจะตอบเร็วไปนิดหนึง่งอ้าถามหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเก็บไว้พรุ่งนี้นะนะคะแนนโยกีเจ้าของคําถามได้ถามแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยว อุทิศส่วนกุศลกันหน่อยนะตั้งใจมทนากับพวกเราที่ตั้งใจจะฝึกในการที่จะเจริญเมตตาให้ได้ให้ได้กันเต็มที่ก็ขอมทนาให้พวกเราเข้าถึงคุณธรรมคือเมตตากันให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เราสามารถแผ้กับตนเองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้จนสามารถทำเมตตาให้เกิดขึ้นได้นานๆในะหวังอย่างนั้น และในวันนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายรักษาเมตตาเจริญเมตตาจิตเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องจนกว่าจะถึงการหลับตาลงนะเดินเมตตาตื่นขึ้นมาก็ให้เลิกถึงว่าเรากําลังเดินกรรมาฐานเมตตากันอยู่ mm hmm. ให้รักษาเมตตาเมตตาสําคัญกว่าทรัพย์เมตตาสําคัญกว่าญาติเมตตาสําคัญกว่าอวัยวะเมตตาสําคัญกว่าชีวิต ถ้าทําได้อย่างนี้เมื่อไหร่เราก็จะประสบความสําเร็จในการเดินเมตตาจริงๆบอกว่าเมตตาสําคัญที่สุดถ้าเมตตาในกระแส э ชีวิตของเราท่านทั้งหลายพังชีวิตของเราก็พังเหมือนกันฉะนั้นเมตตาจะนําพาชีวิตของเราดําเนินไปสู่ตามแนวทางพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงรักษาเมตตาเขาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอมตนากับเราท่านทั้งหลาย